เราผู้ใหญ่ในหลวงเนี้ยเป็นคนนะย่าสถารเสด็จย่าสถานนั่นก็ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ดีแล้วแต่เทียบเท่ากับว่าใหญ่แล้วกับเราเราเรายังไม่ใหญ่เป็นเด็อยู่เป็นลูกสาวเกี่ยวกับย่าคันคันนะแต่เหมือนกับว่า ถ้า อ, ไ ร, ไอรเมื่อไรนจะให้เด็กอยู่ในไรนยนยอยู่อปีนะหรือสปีนี่เกี่ยขึ้นไหมเกีย่ยได้ไหมเกีย่ยไม่ได้ถ้าลงไปหนีให้ <c ười> ไม่โตถ้าเขาโตแล้วตเจ็บไข้โตมันพ่อมแม่เราเกียเกี่ยได้แตกได้หามหาได้ นั่นไงท ะ, ะว่าเป็นเ่อนบา ง, ง, งความคิดข้าข้นแคร์นแคร์เพื่อนไปนนไ่อนแคร์ปัญหาเพืใหญ่้าเพื่อใหญ่แคร์ปหาเพื่อน่นอาจะดีมากนั่นแหะอาจจะเพื่อถึงนันก็าาาลา้าหลานข้าเพืขลานกา ไฟนาอะไรเงี้ยนะไาจะรานข้าวปลุนเย็นอยู่คอนเก่าอย่นี้แล้วต้องอาศัยวนรองานรอบๆิฉนั้นก็อาจจะแบนข้าเดนเลงไปถ้าจุดทางนี้นีนน้อาจจะเพื่อถึงกันแต่จุด ท, ที่เดินไม่ไเปียเป็นหมเพราว่า งานข้ามผู้เพืถึงคนที่อันใดก็ว่าบุคคลเพือนน้อยใจมีกำลังน้อยมีกำลังในด้านแห่ลักธตามทางเส้นทางบารมีพระเจ้ความดุริ ไมาได้จะก็ได er> ้ย um, ังไงทอดินได้เอาสนเพทษมแล้วเราไปเกี่ยวจะเคาะที่เคางไงนะให้เพิใหญ่เติเตก็ได้คนอะไรที่ดินยังไงเติมนาหลายตัวมาหลายตัวน้ำหลอดโทษ่น่นอนจนเพิ่มไปแล้ว อยากทำไปไปทำก่อพร้อมทำได้ตัวนั้นก็คายชิด น, น, น, น, นดินออกจากเต้าันอนนั้นก็คายชิ้นดินออกจากเต้าดินน้ำลายชอบเราน้ำลายของกระบอกนี้นมอนเป็นมูลดินเงาอะไร เ, เป็นพอนขึ้นไปพอมาไมหลเต้าเที่ยวไป อนี้ก็เพื่อเราเพิ่มเพิ่มห้ให้คนให้สิ่วันนอนนั้นให้ส่งขึ้นไปมันกระล่ำภูเขาสองหืนสองเนภูเขาันี่สูงขึ้นมามันด้มันมขึน้นไปข้างหน้านะยินเนี้ยเพราะมันตกเซนข้าวที ถ้าเผาแต่คนเราจะโตนีน้โตได้ยังไงเราควาจะพยายามที่ทำให้ดีถ้าแบบอย่างนี้นนก็ดีเราเปิรเปิดประสบารณ์กันได้จากคนในเรืที่เกิดก า, ารอุตสาหกรบทบาะไรบคนจะทำเก่มากเอน มนมี ม, ม, มาไมาได้ะเพะนั้ น, ะนะเป็นพรดาคระญาติญายิของเราพระด า, ะดาแล้วห้าแรงศสัทธาพระธรรมคือคำสอนของโตของนั้นหรือพระญาติาาสงฆ์ที่เป็นเพื่อน่สาวยะ นำกฎเกณฑปฏิบัติสัจสรีตามที่มีพระธาตุได้รับมนดกเป็นอรหันต์เมื่อสาวกหญิงชายรายนั้นเป็นอรหันต์แล้วก็อาจจะนำศักธรรมนั้นเป็นมรบดกพื่จะนำมาแจกจ่ายสู่ึู้ชาวโลกมีมรรคสือเทวดาได้รับมาอุ่นภาคฝนภาคฝนส่วนหนึ่งของกฎเกปฏิบัติตาร คาคาสอนของโงงนั้นไม่น่าเช่อดาวาจะะป็นบุบคคะรีของบุคคลของพระรานากายคือมนุษย์เดะดาโคงที่จะประพฤติหรือนอดน้อมแต่พระพุทธเจ้านอดน้อมถึงกระธรรมถึงภริยะสงสายอกอรหัง น, นนงนั่นเ้สาวกน้ำนั้น ก็อาจจะเป็นหนึ่งว่าเป็นผู้สั่งสอนสับตามนิกนธได้รับมรรคผลเป็นรอบมากความสชืขขอ่อความจริงในชีวิตมีภาพบุรุกเกษอน น, นี้สงจ้เขาใหายขึ้นไปถึงเป็นขั้นขั้นที่นี้ว่าประสงค์นั้น นั้นเราเรานี่การทิดภาพสิพปฏิบัติปฏิบัติด้วยคาสอนได้มาทดสอบานจกเฉลียงหรือยออาจานหรือนนอะไรถึเก่งขึ้อย่างไถึงขยันถึงพร้อมถึงทุลาทุกเมลถึงเพื่อบรรลุ เป็นการตัดสัมนุษย์ไปเถอสัตว์มนุษย์ไปสิอารว่าเขาจะทุกข์ยะ่าขาดบัณฑ์หรือไม่ราอาบากย์เพาอาบัติเราไม่มีนักพรี่เพราะเห็กรปฏิบัติธรรที่เาำให้เราได้เรียกทำเจ้าจังกว่าว่าทำที่เราจะปฏิบัติธรรมามที่้าได้ผลเลย คือส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ว่าเป็นัะของพระธรรมคำที่ทรรมเทาไรที่เป็นรดีหรือในการที่ว่าหูอาจารย์แจ้งถึงเพื่อน้อยใหญ่สยายสาธ迦งายทุกคนนะอานเยอะก่อเจิดายสองอยามนั้น ลบเตตาบุญญตาหรวิชาการที่ว่าปฐมฌานนั้นยิ่ชายเจลนะสัพพนโรกายถููแงโลกก็ต่อรูปย่งกยงไงที่ที่ลาบเตะกตาบุญญาตาราบความห่งหลังของตัวนั้นได้ผาประล si ุชาตานีจัการแกงในการอดี ที่ตามมานั่นแต่ลราคาเราื่องชาตินั้นหลังละที่ชาติของเกียวเรืชาตินีกับทั้งหลายเท่าไปอันนี้ก็ยังไม่ใช่ราคาจากสมบัติยังเป็นส่วนหนึ่งของวารถพระธรรมเรือในการเกี่ยวผลการประพฤติปฏิบัติธรรมมาแสบิหรือปฏิบัติปฏิบันเวลานี้เราอาจจะได้จัดเรื่ปฏิบัติธรรมให้จนครับ สามารถจะนำความเปลียนวริยาให้ภาพเปลี่ยนยิ่งขึ้นไป ค, น ค, นความความเปลียนของเราจะอยู่ในการหมดจดในถึงความด้วยสัญญาคันนาสัญญาอจะสามารถที่จะตัดอย่าที่ส่วนใดส่ว น, วนหนึ่งของฮาษบาหรือกรรมหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ สิ่งที่แข็งง่ายจุ่นั่นคือภัยอันตรายหรือคุณดัดเหือหนั่นานั้นหรือขี้เล็บนัานาน่นสิ่งที่เป็นที่น่ า, ก, นากลัวขเล็มน่ า, านกลัวคนนี้งน่าญาตกคนหนึน่าแจ้งขามคนนึ่งขีเล็บนัานานั่นทำที่อาศัยว่าคนจะชนะได้เพราัญญาการหลับนิ้ปนสปัญญาเป็นอาวุธที่จะล ในจิเลตนั้นอาจจะเป็นกระสุนอันหนึ่งกรสุนของเทวาตัวของมารจบันวความตักหนักขนเรานั้นคืออะไรเพื่อม ม, มองเราจะเอาเตี๋ยปัญญานั้นเข้าส้วเข้าไปกับชั้นชิดหรือหยกต่อสู่เหมืนกับว่าชาติหทหารนั่นจะรบต่อสู้หรือกระสุน ระบาดของข้าสุดใส่ในการรับสมรภูมิเพื่อเอาชะะนะซึ่งกันแลครันส่วนเราประมนกันจะรับเกลยียดด้วยรับสิ่งที่ลราไม่ดียงันจะใส่บังยานเป็นตัวกัสฉนถึงค้ามในความเย่ในขันติอย่างที่เราเจี่ยกั และไม่ ก, กนะลัวกับส่วนของเขานั่นประมุขกระส่วนของเขาได้ดีหเลอเถิดญาณเราจ ะ, าาจะในยึงเป้าหมายให้ถูกใจแน่เป้าหมายขอสเสด็จผู้อยู่นะั่นทุกเป็น ข, านข้าศึกหรือชาติขอเขากองระบาดบ้านหรือกองกระส่วนของเขาบ้างที่เขาขวมาอ่าน่อสุนใสนสมารถเพื่อเอาใจชนะเรา เราก็เพื่อเอาชนจจะเขานั้นให้ได้ที่ต่างคนต่างงางจะมีหลังชนะเรียบประเด็จกล้ารายรับสุดลดค่าสุดหลังจะทำาพื่อค่าสุดให้ที่สายสัประใจาย่ายแท้ตายด้วยความกล้าหานวิชาการและความเทียนขันสูง เห็พความนัญญาอักษรที่จะลดกระเซนของสตนูนจนสตน้นจนสามกว่าว่าแม้กระเซนของเขายิ่งดีถ้าวิคญาณยางทชื่อว่าอาจจะไม่รอดเพรทีชื่อว่าความตายในการเลเหายที่จะกระจายหนูอก่ ย, ยานเรื่องหนืโดยทิ่ง กวางสะตาลดอาจจะไปช็ดซ่อนหรือสวัดไปถึงขี้ที่อยู่ใต้ข้งเขาหรือขาบควมแนวแนข้อเขาตรงนี้หรือขาข้างหนใจและขก็กถ็ถชีว่าอาจจะอยู่ในการเืว่วอ า, า, าแฝงคาบแทงการยอดง่อนชิวาสามารถไม่ต่อต้านหรือต่อช่้ได้เหมือนกับว่าบุคคมพู้มีปัญญาหรือกับเพื่อปฏิบัติ ปฏบัติที่เอารถหรือคุยงานความดีของธรรมในธรรมะส่วนคือว่าเป็นมากเป็นมรคนหรือเป็นคนอันดีว่าของธรรมนั้นจะหาว่าเชียงใดนั้นไม่เหมือนกับวความความสอนที่คุตติเจ้าอันเส็นรถหรือโอชารถขบวนคือเชียงได้รับทีนรถ ที่อาจจะมีกากำลังอุปกรยาต่อสู้ในทางท้าสุดก็ไดอันจะไม่หลั่งไหลในพระอริยกยของบุคคลผู้ปฏิบัติปฏิบัติสามารถสร้างสถทานั้นเจตนาดีในการที่ว่าสัทธารุกซึอย่างเ่วาใหญ่หลวงขึ้นอย่างไม่ทอถอย้งนำปิจิทอตอมขึ้นเหมือนกับว่า จะเพิ่อในการพิชิตพลังให้ใหญ่จนฐานทัพกรจะจายไเทั่วโลกนี่เื่อกุบพิชิตนั่นหมายถึงเราคุณธรรมคุณธรรมของคนที่จะประพฤติปฏิบัตินั้นก็อาศัยความเทียนเทียนในการระยะในการต่อสู้ในความเพียญเจริญชาใป อาจจะเป็นไฟหรือกองไฟเผาสึ่งที่ว่าในการเชื่อมพอง น, นั้นมันอาจจะเป็นของเสียอะไรแล้วก็ตามไฟอาจจะเผามีด้วยในการที่ไม่เหนียะในเชือกนั้นมันเส้นว่าไม่แห้งลในร่างายทุกอย่างไฟ จ, จะเผาแต่ด้วยที่ว่า ไม่แมตายก็ตามเผาได้ก็ความร้อนมากความร้อนจัดเป็นไฟอันคือดวงใหญ่นักหมายถึงว่าความเพียรพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอยู่ในการสืบค้นบอกว่ายที่จะเรียดูความที่จิตสงหลายใจจึงคือใจความเพียนเป็นบทบาทที่จะสามารถต่อบปัญญามนุษย์ให้ได้ไม่ดยุด ให้ถึงเรียนรู้ที่ทีเพ่อปราจะเพิ่งขึ้นเกิดตาแสงสว่างให้ท่านได้รับในการเคื่อนไหในการเดินทางรถกระบดอัานจะเรียกร้องมือเพื่อนตัดทั้งหลายเล่นตามตัวไป่เพื่ออายแสงสว่างของตัวนั้นให้ดี แสงสลางของเสวีวนนั่นคือเป็น่วัาปัญญาหรือธรรมอันวิสัยฉะนั้นที่เราจะปฏิบัติที่จะสร้างเจตนาหรือศรัทธาในแก่กะททำให้จิตขึ้นยิ่งมากมากไปติตนั่นคือความเมืเ่อยใสเมื่อนใส่ในพัฒนาไปเมื่อ ย, ยใส่ในการตื่หลัก พระพุทธหรือพระธรรพระสงค์หรืออะไรจะตามจะเบื่อนใสแต่เฉพาะในาการพระธรรมคาสอนเพีอย่างเดียวข้าสอนพระองคว่าให้ทำอย่างนี้คือเรื่องกรรมฐานให้ยิ่ ง, งขึ้นไปจนว่ากรรมฐานนั้นอาจจะเห็นที่ว่าเมือตามเบื่ออย่างที่ว่าเราอาจจะอยู่มาได้ เ, ก, ก, เกิดใจเกิดควนมเกิอนายยุทธิธาเกิดขึ้นบางนี้เป็นเช่งนิมันสชงขานที่งถึงอยู่มันเป็นไอยอย่างาหละอย่างขนก็าตามและก็กาตามปลันก็าตามหนังก็ตามเนื้อก็ตามกระดูกก็าตามตร่างนีน้เป็นส่วนหนึ่งของสมถะกรรมฐานเมื่อกรรมฐานเหล่านี้เกิดขึ้นราคจะ กายเป็นยุศาสตนากรรมฐานขึ้นยุทศตนากรรมฐานนั้นจะมองเห็นว่าของไม่กินไม่จังหรือต่ควนไปของใจมาได้หรือการที่ว่าเราจะรักษาเสียเวลาจะทำให้สำเร็จดังเสกใจหลังคือความตัดนานั่นเอง แต่าายาไรในความปัฒนาก็แล้วกันถ้าสอนความปัถนาแล้วก็แต่ว่าไม่เออวะการปฏิบัติธรรมจะเป็นที่งไหนอะไรจะตามพระสงบัญญัติขตจะตามพระน้นเราเป็นบันญัติขิต ด, ดีแล้วอั น, นายิ่งอะไรยิร่งในการคือว่าจะปฏิบัติปฏิบัติเอามะข่น โดนตาม ร, ร้อยองอ์พัทตูนีพระธาตุไ้ใ้สุสุกนั้นนั้นจนเกิดจะเกิดผลใช่วควมเพียรไปจนเป็นอ น, นิสงวนุเวลาไปวันนี้ก็วั น, นหน้าวินาทีนี้ก่นวิ น, น, นาทนาีหน้านาทีนี้ามีนาทีหน้ า, นนาช่องมองนี้ก็ชอมองหน้าเอาได้ใส่หนังนีือได้นั่นแหละ เป็นเสี้ยนในว่าสางสักชาคือความเชื่อมั่ครับไม่คิดขายในสักชาของเสี้ยนในมันหมายไปมันจะจัดเงียงบ่วงของมันมนั้นให้ใจายเกิดเป็นคนดีกลเกิดเป็นผลดีขึ้นแก่บุคคลนั้นนั้ น, น, นแหละบุคคลนั้นถือว่าคนมีบ มือบนมือวาดศสนาแล้วนั้นคือการปฏิบัติปฏิบัติาเรเรียนดูแลถือมันปฏิบติปฏิบัติเอามาใช้แล้วก็มามีประโยชน์อะไะจะหนเหลือแต่ใจคำพูดเฉยเราจะไปแต่จีวาเอาคำพูดอย่างไงก็ถือปฏิบัติตามคำพูดอย่างนั้น เมือม่อกายโยยอย่างไรใครต้องอะไรต้องการกายอะไรจิตใจต้องจิตใจกวนตัวจิตย่างไรจึงจะเป็นจิตสูงจิตสมบูรณ์ายที่ยึดลาาชั้นชั้นอริอวานต่อมาที่ว่าเอาทางทด้วจิตที่แน่นอนจิตที่เป็นส่วนเทวราดียิ่ง จิตเป็นพระพุท์ถึงพระพุทธก็จิตเป็นประโซถึงพระธรรมจิตก็คงจะเป็นพระธรรมถึงพระสงฆ์จิตก็คงจะเป็นพระสงฆ์งนี้มีอะไรอาจจะดูดีในการี่วิธจิตของเราเพื่อด่อนไปหรือปาถนาทำให้จิตตรงไปสู่ความปาถนานทีนั้นคืออะไร เราปรารถนาอะไรปัจจุบันนี้หรือปัจจุบันหน้าหรืออนาคตหน้าเราที่ปรารถนาว่าอย่างนั้นจงไปเลยหมดชาตินี้ก็ชาติหน้าจะต่ออย่างอย่างเดินอย่างพระองค์นั้นหรือพระอริยานามนั้นทชพระองค์ก็เจในกาลว่าอย่างนั้นท่านต่อ ต่อไปอย่างนั้นไม่มีท้อแย้และไม่มีข้อถอยอ น, นี้แหละเป็นที่พึ่งบนเวลาเจอบารณีของคมคือการขอเพื่อปฏิบัติตอนนั่นเองทำตอนให้ถึงขับไม่ถึงหมอนก็นให้ถึงหน้าไม่ถึงหน้าก็ให้ถึงน้อยดังนี้แต่จยาให้เว่ายาให้เสือทิ้ง เอาสับย์ยันความที่ปักหลักปฏจจธรด้วยกายวิา จ, าจัยจิตใจสับยนั้นไม่ให้ยังเลยถ้าจะากเห็นตัวของตัวจริงนั้นนั่นแหละขาดแบไว้าาไอย่างอย่างเดียวอย่าไปลงไห ล, ลว่นั่นนั้นทำอะไรก็เกิดนั้นนั้น จะเป็นคนดีอย่างไรเพราะทำเกิดทำไม่เกิดนั่นก็แปลว่าไม่เป็นคนดีเกิดทำเกิดอาจจะเป็นคนที่รับรู้คนรับรู้ทุกสิ่งอย่างไปในโลกจักรวาลนี้อาจจะรับรื้กระจาทั้งหมดไม่มีปัญหาเลยรแต่รับรู้ทา้งจอมหรือทั้งอัวรับรู้ทั้งบุคคลทู้อื่นหรือสัต่น เมอเขาจะแบนหรือไม่แบนเขาจะไปหรือไม่ไปด้วยเราก็มีคำพห้จนเชื่อจนไปเสีย ก, ก่อนหรือก็ถือทำอันกัดเส่อพอธรรมพระพุทธเจ้านี้เป็นธรมรมบัตรเซถ้าใครได้แล้วอาจจะรู้ได้ไดยังไงได้ด้วยกายเมื่อจิตใจได้ด้วยวยาจานะให้ถึงความเพียงกัน ต้องมี น, น, น, นันเดียวกั น, นแล้วจะแลกเอายานเรงประเสรยานนั่นแปว่าสิ่งที่เรบรู้ยานห น, น, น, น, นึ่งยานสองยานสามก็สามยานสี่ยานห้าอเวล า, 23, ายี่สิบสามนากานก็เป็นอย่างไงล่นะอย่างเขาว่า <laughs> <laughs> มันพัดจิลเราไป <laughs> เราที่จะ ฝากันึื อ, อยังไงสดีฝากกันไปสร้างขึ้นมาพอดีคุปฏิบัติปฏิบัติว่าจะลาซาอืมวัตถุตีอายุเยข้าไหรไหนก็เราผ่านมาแต่อยากจะรู้เแต่เราเด็กๆนาคตเนะี่บดังพระของของเราพุะเจ้า ข, ของเราพัฒนา ท่านตัดนาว่าอีชาตินะท่านเป็นขาระดับเป็นู้ใหญ่เป็นกษัตริย์รัน ม, ม, ม, มืองเตยตามเป็นพระสงฆ์สมานนิสักขารบาบียกระทำท่านตัดธ น, น, น, นาว่าหรือทามาคดหน้าเร่ชาตินะ้าขอให้ที่จะประจุทนที่ก็ขอให้นู้รธรคมพระองค์หรธรรมพระพุทธเจ้า รู้แจ้งแก่อยูนัยพ้องของมันดาเธอดท่านพูดออกมาแล้วจะให้รู้ในการที่จะในการเดินหรือทำสิ่งต่อในการที่เปลียนพูชของคนให้เป็นคนดีพ่อองค์พัฒนาอย่างนี้พ่อองค์ก็รู้ได้ดีบาป ท, ที่ลาเตโจโตทุกบาดที่ชาติ ขอใหเราชื่อเื่อฟังเื่อปรดับขนานอยากได้หนีนันเลยไม่ได้ทำอะไร ด, ดีไม่ดีเนี่โยมไม่ได้ถ้าปริพฤตทำอย่างนั้นไงจะว่าไงาก็ตามพพเาาวลาเขาปลดเปล้อปลธรล่าชอบนเขาว่าไงาก็ตามพระเจ้าี้ง หากเพื่อนๆชอบกันอย mm ่านี้แล้ไม่ชอบกันอย่างนี้ชอสั่งบประพฤติปฏิบัติก็อาจจะได้ดูความเส่กันแต่างคต่างเพื่อเพื่อต่างคนต่า ง, า ง, าง เ, าเองื่อไม่อนตามเื่อความสัะพฤติปฏิบัติเ mm hmm. นาะไม่ไม่เอาอย่างนั้นเราหัวเอเพื่อเมียกันทำด้วยให้เราทำผู้ มาตลอดทุกวนะันเนี่อเนี่ยาฉันมาว่าไงก็จะที่พัฒนาอย่างนั้นเนี่ยรักษาจริงอย่างนั้นเนี่ยไม่พอคุณวันดุงคงจะรู้บอกใหญ่เยอกหลวง อ, อกหลานก็เหมือนกันพอให้ตั้งใจทำละพอมันจะเสียเวลาอย่ามันตะลันไาย เราคลายไปยนี่ดนายงองสองมองลยยยังยงางค่ำมาชุดแปดนาฬิกามองมันประหลาดเลมือนกับเท่ากระลาสจมหมดแลยจมหมดเวลาแล้ประทุดไม่ได้เลยเวลาแะ้วเวลาตายเ่ยมันเมือยเลย ม, มันเมือดประหลาตกแล้วน้ำเท่ากับอายุทัางการทงของ อันนี้มันยอยู่ในลักษณะที่ว่ามันแลงกว่าที่ขึ้นใหม่สองมองสามมองอยู่เก่านาลิกาดัมพันทเที่ยงอย่างนี้ก็้เดี๋ยวตะเวนจะเที่ยงมันก็ <c oughs> จะเป็นอย่างหนึ่งแสงกว่าจิตนั้นบางไายมันก็อาจจะมีความหอกมอง และแม่เข้าไปบงังทำสองไม่ได้และไม่สว่างโลกแล้วแค่นี้มันมืนดเนี่ยอย่างนั้นหรือที่จะเป็นส่วนที่วนจะตกลงมาความเย็นจะเป็กบความร้อนสาธิตไม่ออกเลยสาธิตก็ถือว่ า, วาอยู่ในการเจอควาบาดแสงถ้นไม่เกียบว่าอายุของ คนเราที่จะต่อช่วความให้เป็นแสงสว่างอยู่เส ม, สมอๆดังนี้กายเอยใจเอ๋ยโลกเบิดขนาดสัญญาตังขันยืนยานโลกบรลายดีลโลกที่ว่าโปรดยงพระสมาสัง พ, พระเจ้าโลกอาราธนะเจ้าเสกเถิโทุิยานเจ้าโลก นันละดีได้มาสีอะไรทีดีสีทองสีแเสียงนั่นน่ะนั่นเปเจียงเียงนั่นกระขาเสจ้าีทองกระเหลียงละลาสีแวก็มันองลาสีแก้วพุทธสีแก้วมัเ้ก้วอย่างเทาสต์ กสีไปดังนั้นมันดีอลยถ้าสีดำก็สีดำที่เป็นว่าเป็นแสงดำเป็นแสงดำชิดเหล็กไหลดำที่เป็นนั้นขับเชว่ามาหาเนินดำเชว่าเพชรเนินเพชรดำหรือคำดำมีค่ามัสค์เนี่ยคำเชื่า ทำความรอม้อนไม่มีปัญหาคือแ ส, สงสวา่างยงะคำดำไออ่อเนี่ยถ้ามัาานมีจัดก้อนหนึ่งจกะปัน่นมายับไปหมดแล้วน